อ๋อมาตามสะดวกตามตามสบายไม่ต้องอะไรนั่นเราขึ้นบทธรรมะแล้วก็อะไรไปไปไม่เป็นคุยกันเล่นๆไปอืมใจเอาคิดว่าเชื่อว่าทุกคนน่อืฟังทำมาฟังยันหูเป็นรู้แล้วแหละ แล้วก็รู้หลักปฏิบัติทุกอย่างนั่งภาวนาแบบไหนโดนโยกมแบบไหนก็รู้หมดประเด็นคือทํายังไงจะมีแรงจูงใจอ่ะที่จะปฏิบัติได้สเสมอต้นสเสมอปลายอ่ะนั่นแหละคือคือคือโจทย์ที่จะตอบให้ตัวเองหาทางให้ตัวเองฟังทํารู้แต่รู้มากมันก็ไม่ดีมันเฝือรู้มากรู้มากยากนานรู้น้อยพอรำคาน ะเอาแต่พอดีอ แ, แล้วก็ลงมือปฏิบัติให้มากพระพุทธเจ้าไม่ใช่สึกมันปลอยไม่ใช่อริสโตเติลนะไม่ใช่นักคิดนักเขียนนะแต่เป็นนักปฏิบัติผู้ยิ่งใหญ่ถ้าเราอยากเห็นผลเหมือนพระองค์เราจะต้องย้อนไปสร้างเหตุเหมือนพระองค์ย้อนไปสร้างเหตุแต่ก็มันให้ก็ให้มันพอดีกับเราเนี่ยอืการปฏิบัติทำคือการมาฝืนมาฝึกฝึกความรู้ความเห็นของเราเนี่ย อืความรู้ความเห็นเห็นมากี่พบกี่ชาติแล้วเห็นว่าอย่างนั้นดีะเห็นว่าอย่างนี้ถูกอืกระทาทําตามความคิดทําตามความเห็นอ่าแต่มันก็ผิดผิ ด, ดถูกถูกอยู่ทั้งทั้งที่ก็รู้ว่าถูกทั้งๆ้ที่ก็คิดว่าดีแต่ก็ยังทุกข์อยู่ดีจริงทําไมทุกข์ล่ะหันมาดูตรงนี้เนะี่ย อยู่ตรงนี้ในศาสนาพุทธอการปฏิบัติพระเจ้าท่านสอนน่ทุกอย่างเพื่อที่จะลดละความสําคัญมั่นหมายอืมแบบได้ที่มีความสําคัญมั่นหมายอยู่อ่าคุณทุกแน่นอนสําคัญมันหมายมากทุกมากสําคัญมันหมายน้อยกว่ทุกน้อยความสําคัญมันหมายเป็นตัวก่อมวลความสาคัญมั่นหมายมากความน้อแน่นของมวลก็มาก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 จิตคือธานรู้ไม่ต้องออกรู้อืมรู้พระจิตยอยู่ไหนเนี่อ่ามันก็รู้ไปหมดมก็เลยให้มันรู้อยู่ใกล้ๆพยายามที่จะดึงมันมาให้มันอยู่ใกล้ตัวไว้อืมเกะตัวท่านก็เลยต้องเอาคำบลิกรรมหรืออะไรนั่นที่เราชอบอะ่ะดูลมหายใจเข้าออกประกอบหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรหรือจะอยู่กับคำบริกรรมพุทโทธรมโมสังโฆอะไรก็ได้เนี่นเป็นเครื่องอยู่เกาะไว้ให้มากๆ อย่างที่เคยได้ยินได้ฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เล่ามาอ่าสอนมาทําให้มากจนกว่ามันจะเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งได้ให้มันรวมเดี๋ยวนี้มันไม่รวมอ่ามันไม่รวมไปอยู่ไห น, นก็ไปอยู่กับตาหูจมูกลิ้นไก่นี่แหละอยากไปอยู่ไหนอให้มันรวมเป็นหนึ่งมันก็จะหนีจากตาหูจมูกลิ้นกาใจเนี่ยใจอนะกทีนี้มันก็มาอยู่กับธรรมอารมณ์ความจาเรื่องราวในอดีตเรื่องโน้น เ, เรื่องนี้นะเนี่ยมันตีลวนอยู่อะาเราก็พยายามฝืน อยางฝืนให้มันเข้าสู่ความสงบให้ได้ให้มันเหน็นเห็นชัดเจนถ้ามันเข้าสู่ความสงบได้จริงมันก็จะเห็นชัดเจนแล้วแหละตายแล้วไม่สูญเป็นยังไง่่ออในขณะที่มีแต่ตัวรู้ล้วนๆอ่ะสสารและพลังงานอยู่ด้วยกันแต่ไม่ใช่อันหนึ่งอเดียวกัน่ะมีตัวรู้ล้วนๆแต่ไม่มีแม้กระทั่งลมหายใจเนีน่ยมันจะเป็นบทพิสูจนแล้วตาแล้วไม่สูญในขณะนั้นมันก็จะไม่ทุกข์ ก็จะมีข้อมูลเปรียบเทียบว่าที่มีทุกเพราะอะไรมันก็มาสอนอ่ามันเปรียบเทียบอโดยปกติเราทุกาทุกเพราะความสําคัญมั่นหมายออกไปสําคัญมั่นหมายนู่นนั่นนี่แต่มันไม่ไปไหนไม่ไปรักกับไปชังไม่ไปอดีตกับอนาคตนั่นอืมไปอยู่ตรงเนี้ดึงมันมานี่ถ้ามันไม่สําคัญมั่นหมายกับอะไรถ้าไม่มีอะไรสําคัญมั่นหมายเราะหันน้อมเข้ามามีข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อจะให้มีข้อมูลเปรียบเทียบมันถึงจะต่อยอดในการปฏิบัติต่ตอไปเหมือนเราไม่เคยสัมผัสกับกลางคืนคุนคณเอาข้อมูลไหนไปเปรียบเทียกบกับกลางวันเนี่ยคุณไม่ได้เคยจะสัมผัสกับความสงบที่แท้จริงคุณเอาข้อมูลไหนไปเปรียบเทียกบกับความฟุง้งซ่านแล้วจะไปเห็นโทษเห็นคุณของความฟุ้งซ่านได้ยงไงอ่ะ ม, มีแต่ว่ากันไปอืมอ่ศึกษาตำราอ่ะดูจากอ่าตำราเล่นนั้นเล่นนี้ศึกษาธรรมะจากหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ อก็รู้จักตัวหนังสืออืไปหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็รู้จักปูนั่นลุงตา น, นี่อยู่วันไหนอเปัญหาคือไม่รู้จักตัวเองเคุอพระเจ้าท่าบอกเออให้นั่งดูตัวเองให้มากๆนะตัวเองคือความรู้สึกนึกคิดมันนึกอะไรมันมันรู้อะไรเนี่ยพยายามฝืนมันดึงมันมาให้สติที่เข้มแข็งขึ้นได้ไถ้าสติเข้มแข็งขึ้นเมื่อไหร่อ่ะจิตมันก็จะมีกําลังขึ้น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 จิตมีกำลังกระบวนการคิดควิเคราะห์มีคุณภาพมันถึงจะผลิตปัญญาที่มีคุณภาพให้ได้่ปัญญาที่มีคุณภาพอืถึงจะเป็นภุมิคุค้มกันจิตได้คุณจะอยู่ท่ามกลางสิ่งเลาได้ดีขึ้นอตายกระทบลูกคุณกระทบเสียงเกิดความรู้สึก่ความรู้สึกเกิดขึ้นมาก็มีปัญญาแนบกับความรู้สึกนั้นนะ่ะอ่าไม่สา ม, มารถไม่ให้ความรู้สึกไปทปําปฎิยาโดยตรงได้อะไม่ได้ไปสําคัญมั่นหมายกับสิ่งเลาต่างๆได้ มันก็ดีขึ้นการประมวลผลหาบทสรุปได้เร็วเหมือนน้ากระทบใบบอลอ่ะใบบอลก็รับรู้ใบบอนสั่นไหมแต่ใบบอลไม่ได้รับน้ําไว้อะใบบอนถึงไม่เปียกเยแล้วอะไรเป็นภูมิคุ้มกันใบบอลขนระดับนาโ น, โนไงอืมนี่เหมือนกันอถ้าเรามีปัญญาที่มีคุณภาพมันก็จะเป็นแบบนั้นออืตาผ่านรูปใ ห, ให้เฉยหูผ่านเสียงให้ใหเฉยแต่ตัวประมวลผลอยู่ภายในอที่จะนําทุกรู้สุกมาให้คุณอ่ะถ้าการประมวลผลมีคุณภาพ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 ความรู้สึกทุกความรู้สึกสุขไอ้ความรู้สึกนี่แหละมันดูมันไม้ดีแหละทีเนี้ยอันนี้แหละคือทอแล้วรู้อย่างโยนิโสมนันน่าจการพิจารณาให้แยบใายสิอย่าความรู้สึกดีความรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันเสถียรไหมมันจีรังยั่งยืนไหมคุณสําคัญมันหมายได้ไหมเนี่ยถ้าสําคัญมั่นหมายเนี่ยมันจะนําทุกข์รู้สุกมาให้น่ยพิจารณาให้แยบใครอะ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะสุขก็ขไม่มีตัวตนทุกข์ก็ไม่มีตัวตนมันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกอ่ะอืม ตั้งแต่เรามีชีวิตเนะี่ยจนกระทั่งหมดชีวิตมนะันก็วิ่งตามความรู้สึกนี่แหละวิ่งตามความรู้สึกอ่ากระเสือกกระสนดิ้นรนกันไปอืมทางชีวิตอืแต่เพราะอะไรเพราะจิตมันหลงจิตยังไม่รู้จมเป็นจริงอจิตก็เบียงเบี่ยงไปตามความรู้สึกของตัวเองนะี่แหละที่สำคัญมันหมายอแล้วก็มาผลักดันให้ธาตุขันกระเสือกกระสนอืมไปตามแรงเบี่ยงนั้นอ่าพอหมดลมหายใจเมื่อไหร่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 อให้รู้จักบริหารจัด ก, การให้อยู่ร่วมกับสรรพสิ่งแบบนี้ให้ได้อืถ้าคุณอยากมีความสุขเพราะคุณไม่สามารถไปบังคับสรรพสิ่งให้ได้ดังใจ ค, คุณคุณมีสิทธิ์เพียงแค่รู้จักบริหารจัด ก, การใ ห, ให้อยู่ร่วมกับมันให้ได้มันเป็นแบบนี้เนี่ยไม่ว่าอยู่ที่ไหนอะอย่าไปอ้างอยู่ที่ทํางานกับที่ทํางานเราไม่ใช่ที่อยู่ภาลัรหันนะคนมีกิเลส ด, ด้วยกัน่ะเขาก็มีกิเลสเราก็มีกิเลสเด็ดจาเป็นต้องอยู่ด้วยกันจะทํำยังไงละ่ะอืม คุณไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาไม่ให้มาละเมิดคุณได้คุณมีสิทธิ์เพียงแค่รู้จักบริหารจัดการตัวเองอย่าไปละเมิดเขาเพราะมันจะนําทุกมาให้ทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าเนี่ยทพิพุทธเจ้าท่านว่าอ่าเราก็น้อมเข้ามาเตือนตนเองอยู่ตลอดน้อมเข้ามาอ่าเอลิปัสโกอ่าน้อมเข้ามาดูทำตากระทบลูกเกิดความรู้สึกหูกระทบเสียงเกิดความรู้สึกดีใจมั่งเสียใจมั่งอ่าแล้วความรู้สึกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเทัางนั้นแหละไม่เที่ยงคุณเสนะ แต่คุณไปสําคัญมติหมายเมื่อไหร่อ่ะนี่คุณทุกแน่นอนความรู้สึกดีคุณก็ไม่อยากให้มันเสื่อมสลายแล้วชอบแบบนี้อยากให้เป็นแบบนี้อยู่ตลอดคุณทุกแน่นอนเพราะมันไม่เที่ยงหรอกน่ะเนี่ยมันก็นเสื่อมสลายไปในพรุ่งนี้อาจจะไม่ใช่เป็นแบบนี้ะความรู้สึกไม่ดีเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยคุณก็ไม่อยากสัมผัสอยากาฝากใส่ให้ไกลหา่างน่ะคุณทุกแน่นอนอ่ะอืคุณจะไปห้ามมันไม่ได้เหมือนคุณอยู่ในโซนนี้ของดาวดวงนี้คุณจะไปฏิเสธกลางวันหรือกลางคืนไม่ได้ อืคุณจะต้องเจอกับมันอืแล้วจะทํำยังไงอในเมื่อมังคืนจะเป็นยังไงมันมืดก็จะต้องหาไฟสิเนี่ยแต่กลางวันเป็นยังไงมันร้อนคุณจะทําไงมันจะเย็ น, นคุณจะต้องบริหารจัด ก, การตัวคุ ณ, คณจะไป บ, บริหารจัด ก, การสรรพสิ่งบอกไม่ได้ไม่ได้หันามาฝึกฝึกที่จิตจิตเป็นตัวสําคัญมั่นหมายคนตายแล้วไม่ทุกข์หรอกแต่ไอ้จิตที่ไม่เคยตายนี่แหละทุกข์จิตที่ไม่เคยตายนี่แหละกังวล วิตกเรื่องนู้นเรื่องนี้อ่กลัวเป็นนู้นกลัวเป็นนี่ทั้งที่มันไม่เคยตายอด้วยความหลงแต่ร่างกายนี่เป็นตัวที่เสื่อมสลายอยู่แล้วออืเขาไม่ได้มาทุกข์เลยแหละอืมันพร้อมที่จะเป็นอยู่แล้วเอเพราะมันไม่เที่ยงโดยแต่เริ่มมันก็ไม่ใช่เราแต่ด้วยความหลงเราก็มาสําคัญมันหมายว่าผมคนเล็บฟันหนังตับปอดม้ามายอะไรต่างๆเนี่ยนี่คือเราอืโอเคเอตามสมมุติแล้วเป็นเราล่ะ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 อแต่ถ้าคุณไม่อยากเสริมสลายอ่ะอยากให้มันเป็นแบบนี้ไม่อยากให้มันเป็นแบบนั้นน่ะทุกแน่ น, นอนเพราะมันจะต้องเป็นแบบนี้ะผมเราเนี่บังคับไม่ให้แตกปลายได้ไมหมล่ะอ่ไม่ให้ร่วงได้ไมหมล่ะไม่ให้มันงอกมันขาวได้ไมหมล่ะอ่ามันจะเป็นแบบนั้นเนือเ้อหนังไม่ให้มันเหียวได้ไหมล่ะอืมมันเป็นไปไม่ได้คือมันจะเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นเนี่ยเราก็น้อมเข้ามาเน uh, ี่ยมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรม ก็คือพยายามคอนโทรลความรู้สึกของคุณเนยให้มันพอดีเดี๋ยวนี้มันไม่พอดีมันไม่ไปรักมันก็ไปชังไม่ไปอดีตก็ไปอนาคต่เราต้องมาปฏิบัติธรรมธรรมะโดยหลักการคือหน้าที่โดยสภาวะก็คือความพอดีพยายามคอนโทรลความรู้สึกให้มันพอดีซะนะถ้ามันเป็นมันพอดีมันก็ไม่ทุกมันไม่ทุกมันก็เป็นธรรมธรรมคือความพอดีโดยสภาวะอภาวนาไปว่าเจริญอจะให้มันเจริญเจริญในจิตในใจเราเนี่ย เนี่ยถ้าจิตใจเราจะเลือนมันก็รู้อะไรควรอะไรไม่ควรอ่าอะไรจะนํานทุกมาให้อะไรจะนํานสุขมาให้อะามันจะต้องรู้อื่าเรายังมายึดติดแต่กิริยาการอ่าวันนั่งท่านี้คือภาวนาเดินท่านี้คือภาวนาอเช็กดูเรื่อยผลของการภาวนาภาวนาไปว่าจะเจริญอ่ามันจะเจริญที่จิตจิตคือท่านรู้รู้อะไรอยู่ในนี้อ่าอ่าดูสิมันจะเลือนไหมนะเน่ยมันหาแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้มาให้ตัวเองอ่าเล่าร้อนอยู่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 ดูหนังสือกัน อ, อ, อยู่กับหนังสือทํำเอกสารอยู่กับเอกสารทําความอยู่กับความคุยกันสนใจพูดสนทนาถ้าไม่มีอะไรเกี่ยวเนื่องอ่าสูตรลมให้ใจเบี่ยงเบนความรู้สึกครัคง้งของครั้งปลอสบายใจกะนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนประคองจิตอยู่อย่างงั้นนะให้มันอยู่กลางกลางนี่ อ, อ, อยู่กลงกลางมันแว บ, บไปก็ดึงมาแวบบไปก็ดึงมานั่นคือการฝืนการฝึ ก, ฝกยื้อมันไว้ อ่าแต่จะไม่ให้มันไปเลยมันก็เป็นไป ไ, ไม่ได้อีกแล้วล่ะมันเป็นธาตุรู้จะต้องออกรู้เหมือนเราขับรถอ่า ค, คุณต้องดูถนนเป็นหลักแต่คุณจะปฏิเสธอารมณ์เลาอื่นไม่ได้ล่ะอ่าเดี๋ยวกคุณี่จะต้องมองกระจกมองข้างกระจกซองหลังอ่าเดี๋ยวก็จะต้องระวังคันนั้นจะสวนมาเดี๋ยว <III> จะต้องประเมินว่าจะแซงคันนี้ผ่านไหมหลากหลายอารมณ์รุมเล้าคุณจะคุณไปถึงที่หมายได้เพราะอะไรเพราะรู้ระ ว, วังไงแต่ชำเลืองมองกระจกรู้แล้วก็ ว, ว่าวางอารมณ์นั้นก็มาดูถนนวางอารมณ์นี้ก็ดูถนน อ่าแต่ประคองกันไปมันก็ถึงที่หมายได้อือ่าแต่คุณดูกระจกอย่างเดียวหรือคุณเราดูันรถคันนั้นสวนมาเนี่ะอ่ามันยี่ห้ออะไรมันทะเบียนอะไรมันจะไปไหนนะ่ะเดี๋ยวรถคุณก็ตกถนนอืมนี่เหมือนกันเอาไปจะหมูกเป็นถนนเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจพูดเดี๋ยวก็แวบเรื่องนู้นเดี๋ยวก็แวบเรื่องนี้รู้แล้วก็วางวางอารมณ์นั้นก็มาอยู่อารมณ์นี่อยู่พูดพูดพูดพูดดิจ่ออยู่ฝึกอยู่อ่าฝืนไปอ่าฝืนบ่อยๆเข้าสติ ตัวรู้มันก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นอะสติเข้มแข็งอ่ะจิตก็จะมีกําลังกําลังอื่ากระบวนการคิดวิเคราะห์ก็จะมีคุณภาพอ่าถ้าประคองเข้าไปสู่ความสงบได้ก็ยิ่งดีเอ่าแต่ไม่ถึงกับความสงบอย่างน้อยก็รู้จักเบรกรำลุไม่บ้างอืมรู้จักยับยั้งชั่งใจที่เป็นธรรมชาติรู้จักผิดหวังให้เป็นอืมมันก็ยังจะเป็นประโยชน์อยู่ กับการดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งลเลวรที่ซับซ้อนวุ่นวายแข็งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยเนี่ยพยายามก็อยู่แบบนี้แหละในมุมมองของพระป่ า, า, าไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้เรียนมากนั่งดูลมหายใจเข้าออกเป็นพื้นทำยังไงก็เข้าสู่ความสงมบ อ, ออกแกวความสงบแล้วค่อยมาพิจารณาแต่จำทีนี้ถ้าไม่มีปัญญาพื้นฐานยังไงก็ทาจิตให้สงบไม่ได้ มันจะต้องมีปัญญาถึงจะสามารถตะล่อมจิตเข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้าไม่มีความสงบเป็นฐานรองรับบอกไม่มีทางที่จะผลิตปัญญาที่จะรู้รอบในกองทังขานได้มันก็เป็นปัญญาที่ต่างภาวะกันแต่ทีนี้ปัญญาพื้นฐานกันนี่แหละอย่างที่พวกเราได้ศึกษาตามตำรับตำราฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาบันทึกไว้ในสมองเป็นสัญญาเป็นสัญญา ทีนี้ก็พยายามที่จะามาแปลงสัญญาณ ใ, ให้มันเป็นปัญญาอ่าทีนี้นั่งดูสินั่งให้นานนั่งให้นานใจ้กับผู้ที่จ ะ, ะ, จะออโทรคิดว่าท่านให้มานั่งนานเพื่ออะไระเพื่อที่ให้มันทุกข์หน่อืมอริยสัจสีไม่มีคํามม่นสุขมีแต่ทุกข์กับความดับทุกข์นะทุกขกับความดับทุกข์แต่ทีนี้เรามาปฏิวัติธรรมก็คิดแต่ว่ามันนั่งแล้วมันจะสบายได้ชานได้แซนอะไรว่ากันไป ถ้ามันไปถึงนั่นมันก็โอเคแต่กว่าจะไปถึงนั่นนะ่ะทำแท้สัมผัสที่ใจแต่จะไปสู่ใจมันจะต้องผ่านเนื้อหนังเอ็นกระดูกละ่ะอานางเอ็นกระดูกสิบนาทีสิบห้านาทีกำลังฟุ้งสานต่อจากนั้นก็ง่วงเหงาหานอนหานอนทีนามิทะเพราะอะไรเพราะยังไม่รู้ตามเป็นจริงเลยอุทจักกุกจักฟุ้งซ่านหลงคานใจอยู่ฝืนพยายามฝืนเป็น เดี๋ยวนี้มันอิริยาบทมันบังทุกอย่างนั่งก็นั่งอยากนอนก็นอนอยากทําทอะไรก็ทํามันเลยไม่เห็นทุกชัดพุทธเจ้าให้มานั่งเพื่อที่จะให้เห็นทุกชัดอืมฝุ่งซ่านก็ไม่ต้องไปตามมันง่วงอย่าหลับตาถ้าหลับตาปุ๊บมันจะเข้าระวังอืมเข้าระวังมันก็จะสงบอืมอ่านนั่งมันจะเป็นไก่มันนิวคัดเส้นไก่มันยิ้วขัดเส้นตั้งฝืนนะเราไม่ได้มาตามตามใจเราออ่าืมดูพุโทโธพุธโทโธยืดเป็น อ่าถ้าเรามีสติอยู่ก่อนที่จะสงบมันจะต้องรู้ถ้ามีสติอ่ามันจะรู้สึกเสียสมดุลอืเสียสมดุลปุ๊บลืมตารีบตัดบทลืมตาอ่จับอยู่จุดใดจุดหนึ่งอ่าแต่อย่าหันหน้าหันหลังที่สําคัญคืออย่าเพิ ก, อ ย, พกอย่าดิน้น อ, อย่าเพิกอย่าดิน้นฝืนเข้าไปอ่าสติเราลืมรู้เราไม่ใจเข้าออกสมัมผัญญะรู้อยู่ว่าเราลืมตาอ่าจับอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งที่เราถนัดน่ะอ่าถ้ามันรักษาสมดุลได้แล้วก็ค่อยๆหลับตาไป อหายใจเขาปู๊หายใจอุทวอ่าแวบไปไหนก็ดึงมันมาอยู่นี่แหละจะรู้สึกเสียสมดุลหลงเหลงคงเค้งปุ๊เนี่รีบลืมต า, ต, าตัดบทไม่งั้นมันจะสะพังก์ยืดกันไปอ่าถ้าเราฝืนต่อไปอ่าถ้ามันยังไม่สงบเดี๋ยวมันก็เป็นเด็บเจ็บปวดแหละนะแต่มันเป็นเด็บเจ็บปวดดีอือ่าเพราะความฟุงงซ่านเรื่องไกลๆมันก็จะเริ่มเดือนอความ่วงเหงาหาวนอนนี่ยิ่งปวดมากยิ่งไม่มีเลยอยากให้มีก็ไม่มีอ่ายิ่งปวดมาก อทีนี้ก็คำ บ, บริกรรมก็จะเป็นภาระกังวลเป็นบริพ وث บวดอ่าก็ดูที่ว่ามันปวดที่ไหนมากเจ็บที่ไหนมากอ่าอสติปัฏฐานสี่ท่านอำมาใช้ตอนนี้แหละ mm hmm. แยกสติปัฏฐานสี่อ่าแยกองค์ประกอบของรูกกำน้ำนี่แหละเหมือนนักวิทยาศาสตร์แยกองค์ประกอบของของน้ําเอ่ะของเหลวชนิดนี้เนี่ยมีที่ไปที่มายังไงหาเนี่ยแต่องค์ประกอบของน้ํำ H2O อ่อมีคุณมีโทษแบบไหนอ่ เหมือนพระปฏิบัติอีกนี่แหละสติปัฏฐานสี่คือแยกองค์ประกอบของรูป ก, กับนามนี่แยกหนุษินีิเวทนามันเกิดแล้วนี่ชัดเจนแล้วนี่นี่คือสภาวะทุกอ่านี่คือเวทนาอะไรเป็นเวทนาเนื้อหนังเอ็ก็ะดูกเป็นเวทนาหรือไงอ่าพิจนารณาเนะนะี่ยสัญญาต่างๆที่เคยได้ยินได้ฟังมาเนะ่ยเอามาใช้กับมาใช้ตอนนี้เลยจะไปใช้ตอนไหนหล่ะนะเหมือนหมอรักษาคนไข้รักษาตอนป่วยละอืะอย่าไปรักษาตอนไหนไม่ใช่เออให้คนไข้กลับบ้านก่อนหายแล้วก็มาคุยกันนะ ในนี่อย่ม า, ามาพิจารณาเนี่ยมาพิจารณาทุกตอนไหนกับตอนที่มันทุกเนะี่ยตอนที่มันสุขจะมาพิจารณาทุกยังไงอ่าพุทธเจ้ามาเกิดเห็นไืมทําไมท่านไม่เกิดเป็นเทวบุตรอยู่สวรรค์ชั้นบูรสิตแต่ท่านไม่บรรลุที่นุ่นเลยอ่ามันจะไปบรรลุได้ไงถ้าพูดเรื่องทุกขออ่คนมีแต่ความสุขจเจ้าข้อมูลไหนไปเปรียบเทียบท่านต้องมาอาศัยธาตุขันธ์ของมนุษย์เนียอธาตุขันธ์หยาบเนี่ย เป็นตัวสะท้อนทุกข์ให้ไม่ได้เห็นทุกข์จะได้หาสมุทัยความคิดที่จะหาสมุทัยนั่นลำมักผลของมักนิโรธมันเป็นเหตุสองผลสองพระพุทธเจ้ากี่ล้านพระองค์มาแต่สรู้อันเดียวกันสมุทัยเป็นเหตุผลก็ทุกข์มักเป็นเหตุผลคือความดับทุกข์ประมวลมาแล้วกันนี่แหละสามอย่างทานศีลธรรมน่ามักแปด ่าถึงที่สุดกับรักษาสติตัวเดียวเนี่ยนะถ้าไม่รู้จากทานไม่รู้จากรักษาศีลไม่รู้จากภาวนานั่นแหละสมุทัยอนาคตของคุณทุกแน่นอนในเมื่อเรารู้แล้วทีนี้ก่าประมวลหาบทสรุปสิเนเราจะทานรักษาศีลภาวนาขนาดไหนถึงจะพอดีกับเพศภาวะสถานะกาละเทระของตัวเองอืมมาพิจารณาดูน้อมเข้ามาฝืนเอาในขณะที่ยังมีชีวิตอืม ในขณะที่มีชีวิตเราเกิดมาอยู่ในภูมิประเทศที่เบิกประเทศไทยนี่ในทางภูมิศาสตร์เบิกที่สุดละในดาวดวงนี้น่ะอืมปัญหาเดียวของประเทศนี้คือมีคนไทยมาเกิดอ่ะอืมจะเป็นอย่างนั้นอมเราพิจารณาเอาปฏิรูปเดียสวารโซจันี่อย่างภูมิประเะทศที่ดีมากในทางภูมิศาสตร์ก็ดีมีาศาสนาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทาศาสนาพุทธอ่ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองที่สุดละ่ะในยุคนี้ของอ่า ของประเทศนี้อยู่ที่เราจะน้อมเข้ามาขนาดไหนน้อมเข้ามาขนาดไหนจะดูเอาเป็นเรื่องของใครของมันใครจะเห็นดีเห็นงามเลยก็ซาทุใครไม่เห็นดีเห็นงามเลยก็ซาทุเรื่องของใครของมันพระพุทธเจ้าสอนคนที่รู้สอนที่ฟังคนฟังรู้เรื่องอแล้วก็นําไปปฏิบัติเอาหรือไม่นําไปปฏิบัติเอาก็เป็นสิทธส่วนบุคคลในที่นี้ท่านไม่ได้ประกาศศาสนาให้อิดหินปูนไทรหมูหมากาไก่ อมประกาศศาสนาให้คนนี่แหละนและแต่ทีนี้ก็ผ่านมากว่าสองพันหกร้อยกว่าปีน่ะมันก็จะต้องแปรปเปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลนะคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเอพระองค์นั้นไม่ดีพระองค์นี้มปนเรื่องของใครเพรามันไม่ได้ตกนรกแทนกันหรอกเรารู้ว่าสิ่งใดดีคุณเราก็รีบทําเอาอตัวอย่างที่ไม่ดีก็เอาไว้เป็นอุทาหรณ์อย่าไปทําแบบเขาไม่มีหน้ า, าที่ไปซ้ําเติมเขาไม่มีหน้ า, าที่จะไปจับผิดเขาเสียเวลา อ่ความเร็วความช่วของคนอื่นเขาอาจจะเร็วจริงเขาอาจจะผิดจริงแต่คุณไม่รู้จักระวังจิตคุณจะไปทุกข์กับเขาด้ะอืมทั้งทั้งคุณคิดว่าคุณเป็นคนดีออแต่ดีจริงทําไมคุณต้องไปทุกข์กับคนเร็วคนเร็วนน่าจะทุกข์กับเราออืืมมดีแบบไหนทีนี้่ถ้าดีจริงกับเฉยพระพุทธเจ้าหมดกิเลสแล้วท่านก็บินทวารชั้นกว่าคนมีกิเลสท่านก็อยู่ร่วมเหมือคนมีกิเลสเมตตาคนมีกิเลส อกับพยายามที่จะไปบอกสอนคนมีกิเลสเนี่ยอะพระองค์ไม่ได้ว่านะพระราหันอยู่ในทางทิศใดแต่ถามคนจะไปปลดทั้งแต่มองหาคนมีกิเลสเนี่อืมแต่เรามีกิเลสอยู่เต็มหัวใจเนี่ยยังคิดที่จะไปอรังเกียจกันอยู่นี่อดิคงไม่ดีมั้งแก้แก้ที่เราเนี่ยคนนั้นทําไม่ดีนั้นเอมันมีกิเลสยู่กับเป็นแบบนั้นเลยแตะบุญเนาะเรายังไม่ได้คิดที่จะไปทําแบบมันได้อืม กาคิดแบบนั้นมันถึงจะถูกไม่ดีอย่างนู้นไม่ดีอย่างนี้เอามายกตัวอย่างเนี่ยเรื่องของใครของมันะถามว่ารู้จักไหมว่าอะไรดีถ้ารู้จักกระทำซะสิอือเป็นแบบนั้นแต่ส่วนมากมา เ, เรียนมาศึกษาพอรู้อะไรดีอ่าพอรู้อะไรถูกแล้วเก็บไว้แล้วก็พยายามที่จะไปอ่าบริหารจัดการโลกเล่ทีนี้อยากสอนคนนู้นอยากให้นั่นคนนี่อ่อกวาดตามองคนนั้นมองคนนี้ไอ้นั่นไม่ดีอย่างนั้นไอ้นี่ไม่ดีอย่างเงี้ย อันนั้นนะอ่าอัสวะจะเกิดตอนนั้นนะตอนที่ส่งจิตออกนอกไปดูนั่นแนหะไปเพ่งโทษจับผิดคนอื่นเนาะดนะูกิเลสทีนี่อยากเห็นกิเลสนี่แหละหน้ากิเลสตัวที่ออกไปดิ้นพ่านพลาดอยู่นั่นนะอนะนะ่มีสติมีปัญญาตะล่มมันไว้นี่ควบคุมมันไว้อย่าให้มันออกไปเพ่นพ่าด น, นะอ่านะนะควบคุมแล้วก็สลายมันไปอนะืมมันถึงจะถูกถยจะถูกนะสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปเบาไปปล่อยไปวางไปมันถึงจะถูก อ่ยึดไปถือไปหนักไปเรื่อยๆนั่นไปเพราะกิเลสมาไปสะสมกิเลสมานั่งเพราะกิเลสเดินเพราะกิเลสออถ้าเป็นนั่งสำรอกกิเลสเดินสำลักกิเลสมันต้องเบาไปเรื่อยเอาไปเรื่อยดูแต่ตัวเองปีติอิมอ่มเอิบอยู่กับตัวเองอ่าเราคนอื่นก็โอ้ยเรื่องของใครของมันนั่นแหละไม่อยู่ในวิสัยบอกตอนอย่าไปละเมิดอ่าก็อยเป็นแบบนั้นอ่าถ้าคิดว่าจะบริหารจัดการตัวเองอ่าไม่ทุกขไม่ทุก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 ว่าวางจิตอย่างไรถึงจะแยกแล้วทําให้จิตเข้าสู่สภาวะสงบซึ่งบางครั้งมันก็ทําได้แต่มันทําได้ไม่ไม่ทุกครั้งอะคะ่ะอืมอืมถ้ามันเคยแล้วไม่ยากหรอกที่มันยากคือมันยังไม่เคยนอืมแต่มันมันได้เป็นบางครั้งนะฮะอืมค่ะหรือมันมันได้ไม่ชัดเจนคือโยมอยากจะทราบวิธีปฏิบัติว่าเอ๊จะมีวิธีการอย่างไรให้จิตเนี่ยเข้าได้อย่างเนี้ยทุกครั้งอืมก็ทำไปบ่อยแหละทำไปบ่อย ทำไม่เป่อยอะไรที่มันทำไม่เป่อยมันก็ชินคือทำมันชินนั่นแหละมันต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วถ้ามันปวดมากๆแล้วมันมันไม่อยู่หรอกคำบริกรรมอือคุณต้องใช้ปัญญาทั้งนั้นแหละทีนี้ปัญญาเอาตัวรอดปัญญามมา่จากไหนไม่จากสัญญาอ่าที่คุณเคยได้ยินได้ฟังสมมุติเราปวดหัวเข่ามากอย่างเงี้ยอ่าพุโทโธมันเราไม่อยู่แล้วดังนั้นก็ตัวรู้อืแทนที่จะอยู่กับพุโทโธอยู่ลมหายใจเอามารู้อยู่ตรงนี้อนั่งอยู่ตรงนี้อ่านี่แหละแยกเลยทีนี้อ่า อะไรเป็นเป็นเวทนาหนังเป็นเวทนาเนื้อเป็นเวทนากะโหลกเป็นเวทนาสภานนี้เขาเรียกวัตทุกอืมอะไรเป็นทุกข์อืมเมื่อก่อนมานั่งมันไม่เป็นแต่ตอนนี้มันเป็นทำมาต่อไปเบี่ยงเบนความรู้สึกอย่างนั้นออย่าอยากไม่ให้มันหายเพราะมันจะปวดนานอืมปวดมากแล้วกั น, นานด้วยอืมอใช้ปัญญานี่เราเห็นเอท่านต้องการให้เห็นเห็ น, เ ห, นเห็นโทษของขันห้าแล้วเนีะ เนี่ยให้มันเห็นจริงจำเป็นจริงนี่แหละกองทุกอะทุกทั้งแท่ง่ะอืรูปกับนานสสารกับพลังงานเนี่ทุกทั้งแท่ง่ะเนี่ยแต่ปานนั้นยังไม่เบื่อหน่ายใครกําหนดอ่ายังไม่อยากจากมันตายแล้วก็ยังอยากมาเกิดอยากจะได้มันอีกอ่าธาตุขันยังงั้นสวยงามอย่างนี้อย่างเงี้ยคือพิจารณาทั้งนั้นอืมมันทุกเห็นไหเอ่าถามว่าธาตุขันนี้เอาสุขอะไรมาให้อ่าอ่าม่อกว่าเราเร า, เราทำไมเราอยู่ได้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 เราเห็นอริยสัจสี่เห็นในขณะนี้แหละทุกออมักสมั่งคีเห็นอยู่เสี้ยวเดียวแค่นั้นเนี่ยไม่ได้ไปเห็นนานหรอกมันจะสงบอ่ะแต่มันเคยสงบแล้วมันก็รู้ทางของมันน่ะจะยิบยิบยับยมันก็เข้าออกมันก็หลุไปแล้วแต่มันยากที่ตรงนี้แหละมันไม่ใช่แต่นั่นเป็นสภาวะมันพอปีติอิมเออบางครั้งก็เหมือนผ่อนลงเดี๋ยวมันก็ขึ้นใหม่มันไม่ได้เข้าสู่ความสงบที่แท้จริงถ้ามันเข้าสู่ความสงบที่แท้จริงคาตาบัน มันจะไม่เป็นแบบนี้แร้วอืมอืมแต่ตอนแรก็จะต้องพิจารณาทุกอย่างนี่แหละเห็นไหมนะนั่งหิวเฉียก็ทุกข์อ่ะอือ ต, ต, ตื่นมาก็ไปเรื่องนู้นเรื่องนี้อ่าหิวข้าก็ทุกข์อ่อพอไปกินมาแล้วก็ทุกข์เดี๋ยวเข้าห้องน้ําห้องท่าทุกข์ทำการทํางานเหนื่อยทุกข์พอมานั่งหิเสยอ่ะก็ยังทุกข์อีกอือแล้วทีนี้มันมีประโยชน์อะไรนักหนาเนี่ยอ่าเราไปรักไปหลงอะไรนักหนาเนี่ยอ่าธาตุสี่ขันห้านี่ อืมเอทําไมทีนี้อ่ามันมีประโยชน์อะไรน้อมเข้ามาสอนเนี่ยสภาว่าทุกทุกลุมเล้าขนาดไหนนี่นั่งอยู่เฉยๆยังทุกเลยดิอืมแล้วมันน่าไหมเนาะอ่ามันน่าที่จะอะไรเอาวันกับมันไหมเนี่ยไอ้รูปกับนามเนี่ยประมาณนั้นแต่อย่าขยับอืมสู้กันอยู่ตรงนั้นแหละอืมอีนุ่งต้งนั่งอยู่ตรงนั้นแหละอืมนี่แหละทุกเกิดขึ้นเลยแหละอืมอ่าคํา อริยสัตวสีไม่มีความว่าสุขอื ม, อมทุกข์แหละอันดับหนึ่งพระพุทธเจ้าให้มานั่งเพื่อให้เห็นทุกข์มมันดีแล้วนี่เจอแล้วอริยสัตวสี่อเอิดเป็นข้อแรกที่อืยแต่ทีนี้พอเรามานั่งปุ๊บอยากเจียวข้อที่สี่มันคงไม่ใช่แหละที่คือทางผ่านอืมสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมแยกออกมาอืม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 อืมแต่ยังเข้าสู่ความเป็นการไม่มันจะต้องเป็นแบบนี้อืมแต่เราจะไปคาดว่าเออมันมันเ ค, เคยสงบเคยเบามันไม่ได้สงบแทะถ้าเคยสงบแทะคุณจะไม่สงสัย อ, อืมไม่สงสัยแต่เพียงแต่ว่าเออมันอ่าจิตมันจดจ บ, บางทีมันก็นจะเออเบาเนื้อเบาตัวปีติสุขอะไรกันนะ่ะระยะหนึ่ง เ, ออเดี๋ยวก็ปีตขึ้นมาเพราะมันยังไม่ถึงที่สุดอืมยังไม่ถึงที่สุดอ่าถ้าถึงที่สุดคุณจะไม่มีวิิกขจชา อ, อ่านี่วันห้าเป็นเครื่องกั้นสมาธิอยู่ ออืเถ้าคุณเข้าสู่สมาธิแท้คุณจะไม่มีวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยคุณจะไม่มีอุทธาจักกุกุจักความพุ่งสร้างลำพานใจเหมือนคุณจะไปสู่ห้วงอวกาศคุณต้องผ่านชั้นบรรยากาศให้ได้อืตราบใดที่ยังอยู่ในชั้นบรรยากาศคุณหนี้ไม่พ้นแรงนุ่งถ่วงของโลกอืถ้าคุณไปสู่ห้วงอวกาศที่แท้จริงแรงนุ่งถ่งของโลกจะไม่มีผลกับคุณเหมือนกันถ้าเข้าไปสู่ความสงบที่แท้จริงสิ่งเล้าภายนอกจะไม่มีผลกับคุณอื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 เนี่ยตรงนี้แหละทีนี่มันก็จะไม่ทุกข์หมันก็จะเห็นจริงตามเป็นจริงลราตายแล้วไม่สูญในขณะนั้นแม้แต่ลมหายใจยังไม่มีออามราก็ยืนยันแล้วว่าตายแล้วไม่สูญแล้วก็จะมีข้อมูลแบบเทียบแล้วแหละทีนี้่ถ้าเราไม่สําคัญนั่นหมายกับสรรพสิ่งจะไม่มีสรรพสิ่งไหนสําคัญมั่นหมายเราแต่เราดีดนดิ้นอยู่ตรงนี้มีแต่เราสําคัญมั่นหมายทั้งนั้นแหละอ่านั่นต้นไม้นั่นคนนั่นหมูหมากาไก่คนน้องคนนี้อ่แต่ไม่มีอะไรสําคัญนั่นหมายเรา อืที่เราทุกอย่างนี้เพราะเราส่งออกจากจิตทั้งนั้นออกจากจิตทั้งนั้นไปสําคัญมันหมายไม่มีอะไรมาสําคัญมั่นหมายนั่นคือข้อมูลเปรียบเทียบนะที่จะเห็นชัดอ อ, อ, ออกจากความสงบก็มาพิจารณาอีกทีโอ้เป็นแบบนี้เอออกจากความสงบกับตรงนี้ก็ใช้ปัญญาพิจารณาที่จะล่อมตะล่อมจิตไม่ให้แ ส, ส่ใสพยายามรักษาสมดุลของความเป็นกลางไว้ความ็นกลางจริงๆแอดบาวปรเทศหลายปีเลยวนะั่นนะ ทุกชีวิตดีนหล่นค้นหาได้จุดหมายอ่ใจในร่างกายกับไม่เจอเอทุกที่เกิดซ้ำเพราะใจนําพร่ําเพรอหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขนั่นคือธรรมะนั่นนะอืเออเเพียงแต่เปลี่ยนในยะความเป็นกลางเดี๋ยวนี้ใจนําพร่าเพรือคืออาการของจิตอาการของใจอืเป็นคลื่นเนี่ยอหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขหาความเป็นการได้ก็เป็นสุขเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นกลางมันไม่ไปรักกับไปชังมันไม่ไปอดีต ก, กับไปอนาคต เข้าไปสู่ความต่างๆให้ได้แต่ประมาณนั้นทนเอขันตีประขันตีปรามังตะโปติติขาเนะอ่ยมีแต่ขันติความอดทนอดกัน้นเท่านั้นที่จะเป็นธรรมที่จะเป็นตะปะธรรมแผดเผากิเลสได้นอกนั้นไม่มีเลยอดทนอดทนหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆเห็น ไ, ไหมหลวงปู่จะหลวงตาบัวเห็นนั่งโยนก้นแตกเป็นสลบเป็นอะไรหลวงปู่ชากระบาดโทษปาโทษคือพุทธทัวเอาไม่อยู่แล้ว ปาดโทอปาดโทษก็แบบนั้นแ่ะคือไม่รู้จะพิจารณาอะไรแล้วแหละพิจารณายัางไงมันก็ไม่ลงก็นั่งดูอย่างเดียวแล้วที่นี่มันจะหมดเมื่อไหร่ปาดโทษปาดโทษเห็นไหมทุก ข, ของธาตุขันธ์ที่ทับถมอืมนะมนเป็นแบบนั้นนั่นคือทางเดินของพระอริยนั่นคือทางเดินของพระเจ้าแต่ถ้าเราอยากเห็นผลของท่านกะก็โอเคก็ต้องปฏิบัติอืมแต่เราทํางานไดีตเหล็กแต่หวังผลอุตสหกรรมก็มันก็ไม่ไหว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 แต่ยังไม่สงบก็จะนั่งต่อไปอืมนั่งต่อไปแล้วทีนี้ก็จะเห็นแหละทีนี้อืในขณะทุกขเวทนารุมเร้ามากๆอสองชั่วโมงสามชั่วโมงถ้ายังไม่ขยับคุณไม่นึกถึงพระพุทธเจ้าหรอกอืที่พึ่งของคุณคือนาฬิกาเมื่อไรจะดังเอก็ใช่ <laughs> <laughs> ประมาณนั้นแหละลองดูใครก็ได้ไม่มีพระพุทธเจ้าเราไม่นึกถึงออื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 ห <c oughs> าว่าวัดโกงเวลาเออบอกผมโอ้มันปวดมากแล้วมันมันช้ามันอะไรก็ไม่รู้ซื้อมาเองเลยมันต่างอา่ะเราก็บอกนีมน้วนเอาเลยงั้อย่าเขียนแบบนั้นเนี่ยคือมาเกี่ยวเงินเอเวลาเป็นสากลแต่ความรู้สึกเรานะั้นปกติอืมแต่วันไหนที่แบบเอารู้สึกจะโปร่งเบารู้สึกเร็วนะแต่เน้อ ก, การก็ปกติแหละแต่ความรู้สึกว่าเฮ้ยเร็วนะแป๊บเดียวคุณมีความสุขไง มันเบาโปรง่งแต่วันไหนที่รู้สึกหงุดหงิดอึดอัดขัดข้องวุ่นวายนรู้สึกในกายช้ามากอ่ะช้ามากไป <c oughs> เป็นเดียวนั้นแต่เวลาเป็นสาวคนความรู้สึกของคุณก็นี่แหละมันคอนโทรนมันตรงนี้เนะ่ยตัวดิดดิน่นเบี่ยงอยู่นี้อย่างนี้อย่างเงี้อดทนเราอดทนแล้วทํำบ่อยๆก็จะมีนิสัยแหละมยฝึกถ้าแบบว่าต้องการให้มันเห็นผลนะตั้งนาฬิกาเลยสองชั่วโมงอย่าขยับอย่าพริกอย่าดิน่นอืม กอย่า ด, ดิด้นอ่าจะปวดจะเจ็บขนาดไหนก็ทุนเอาทั้งง่วงลืมตาอย่าหลับตามันจะเป็นนิสัยมันจะเข้ารวังอ่าทีนี้บางทีก็นั่งมันตั้งหลายชั่วโมองอะไรไปประมาณนี้ไม่รู้ว่านั่งหลับอืมดังได้เพราะเด็กอยู่ในท้องเก้าเดือนก็อยู่แบบนี้แหละอืออืมแต่ไม่ใช่สิ่งอัศจรรย์นะพระพุทธเจ้าต้องการให้รู้ทุกมิตินั่นนะอ่เอ่ารู้สึกเสียสมดุลหลงเหลงโคงเคง้งหนึ่งที่ลิบดาท่านก็นยังรู้เลยถ้ามีสติสัพพัญญา อืมทั้งขยันเหมือนไปนั้นถึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนีอืมกระประกองไปแบบนั้นอดทนเอาอย่าขยับอย่าพลิกอย่าดิน้นดิ้นดีมากละอต่เพราะตอนที่ฟุ้งซ่านคุณก็พิจารณาอะไรไม่ได้คุวกเหงาหานอนคุณก็พิจารณาอะไรไม่ได้แต่เป็นเน็บเจ็บปวดนี่นี่แหละวิปัสนาอ่อนคุณจะพิจารณาอะไรเริ่มมาพิจารณาตัว น, นี้ในสาภาวะธรรมที่เกิดสดสดละร้อนละหน้าคุณเล ย, เ น, ยนี่แหละเวทนาทุกข์ล่ะคุณยังห่วง เรื่องการเรื่องงานเรื่องบ้านเรื่องช่องแต่เริ่มเนี่ยมันก็ไม่เด่นเท่าตรงนี้ไม่เด่นความว่วงไม่มีเลยหายใจมันยังไม่อยากหายใจแรงเรนปวดผมบนหัวก็ยังนึกว่ามันนำทุกข์มาให้มากด้วยนั่นแหะเส้นเล็กๆทุกรูขุมขนที่มันปวดมากลุ่มเราอย่าขยับเนี่ยมันวันนี้ไม่ไหวไม่เป็นเลยมันน่าเอาอีกนี่คือทางเดินเพราะอริยสัจสี่ไม่มีคำว่าสุข มีแต่ทุกข์กับคำดับทุกข์อืมมันจะเป็นแบบนั้นพิจารณาให้มันเห็นให้มันเข็ดให้มันหลาบนี่กองทุกข์ทั้งแท่งนั่นเองอืมยังไม่อยากจากมันอ่าดูที่หลงอืมอันนี้ให้มาพิจารณานี่แหละเป็นแหล่งที่จะเพาะปัญญาของเราปัญญาอ่าในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงอืมเอ้นให้มันเห็นจริงดำเป็นจริงตีตีเป็นแบบไหนก็มันเห็นอ่ เป็นให้มันเห็นอีก อ, อย่าไปนั่นเขาทุกนี่เออเลยนี่ทุกนี่แหละสาคัญอดทนเออืมไม่มีอะไรดีกว่านี่แต่อย่างที่บอกการทำขันตีปรมังตโพติติขาดขันติแหละอืมเป็นตะปะธรรมที่จะแผ่เผากิเลสได้นอกนั้นไม่มีอืถ้าปฏิบัติธรรมสะดวกขันติบัญญัติไว้ทําไมหรอมวิริเยทุกขมะเจติคนจะล่วงทุกข์เพราะความเพียรบัญญัติไว้ทําไมนะถ้ามันปฏิบัติธรรมได้สะดวกมันต้องลําบากลาบากแน่นอน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 และพยาศาสตรคุณบุตรอย่างเนี้ที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอก็ดูสินะ่บนะบารมีขนาดไหนผู้เจ้ามารอเทศอย่างพวกเรานี่ก็ต้องนิ ม, มนต์พระมาเ น, นนะาะพระถึงเทศนั่นบารมีท่านเยอะนะก็แบบนั้นเนี่ยแต่กว่าจะไปถึงจุดนั้นก็สะสมแบบเรานี่แหละเก็บเล็กสะสมน้อยอืไว้เนีน่ยเราก็มีบุญแล้วถ้าเราไม่เคยภาวานามาแต่ปางก่อน คุณไม่ได้เสียสละเวลามานั่งฟังธรรมที่นี่หรือไม่ได้เสียสละเวลาที่จะไปอยู่วัดป่ า, าตามต่างจังหวัดคุณไปได้คุณมานั่งอยู่ตรงนี้แรงจูงใจมาจากไหนนั่งกระบาลรมีคุณเคยทำมาแล้วมีเหตุมีนิสัยมีอุปนิสัยเดิมที่เคยทามา อ, อยากรู้ว่าคุณสร้างบุญบารมีมาม า, มากน้อยแค่ไหนดูสถานภาพของคุณในปัจจุบันตอนนี้คุณกำลังเสวยผลจากอาดีตอยู่ และอยากรู้ว่าชาติหน้าพบหน้าคุณจะไปไหนดูพฤติกรรมของคุณในปัจจุบันนี่อืมคุณกําลังสร้างเวทของอนาคตอยู่ไม่ต้องไปถามใครอ่ะทานไปยังไงอืม่ะทานไว้กัเออเกิดชาตินหน้าไม่อดไม่อยากรักษาศีลไว้ก็โอเคเกินมาก็เป็นปกติไม่พิกลพิการบ้าไว้เสียจริตภาวนาไว้ก็จะมีแรงจูงใจอ่ะที่อยากจะสร้างคุณงามความดีอ่าอนิสงส์ในการภาวนาทําไม่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เฉลียวฉลาดในที่นี้หมายถึง EQ ไม่ได้หมายถึง IQ อืมอ่า IQ มากอ่ะอ EQ จะพัฒนาตามยากเพราะมันมาติด e อีโก้อีโก้ยึดไว้นานกับอีเดียดอ่ะมองมุมไหนก็ถูกหมดแต่ก็ทุกอยูอ่เอาไปมาเป็นคนดีที่โลกไม่ต้องการ <c oughs> ดีอยู่คนเดียวแค่ <c oughs> เป็นประมาณนั้นอ่าแต่ถ้า EQ ก็โอเคละ่ะรู้จักบริหารจัด ก, การความรู้สึกได้ดีรู้จัก รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราจะทำอะไรเพื่ออะไรจะมีกรรมวิธียังไงให้มันรู้เป้าหมายแต่ว่าใครจะเดือดร้อนกับการกระทำของเราไหมเนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นโอเคนะอ่าะอบถามบรครับเกิดเเราตรวอืมรรัญญใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ปัญญาอืม อืมพิจารณาเนี่ยตัวตัวปวดอืมันายมันมันจะหายใจตัวมากยิ่งปวดมากถ้าไม่สงบเอาไปมาจนจับจุดไม่ได้พิษมันปวดที่เรกกับปวดหัวเข่านะท่านนานๆพิจารณาไปแล้วทีนี้ยิ่งคนนานเข้ายังไม่สงบนั้นที่ไม่รู้ปวดมปวดไปหมดแล้วปวดจนไม่มีปวดช่าแต่ว่านั่นแหละทุกเรื่องนั้นแหะพิจารณาอยู่ในปวดไหนก็ช่างอืม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 มันปวดมากมันทุรนทุรายกับคบริกรรมกระเสือกระสนเป็นปริโ ooth กังวลวุ่นวายเลยแหละทีนี้คุณทิ้งเลยตรงนี้แล้วปวดที่ไหนชัดคุณก็ไปอยู่ตรงนั้นอืมอืมอืมตรงนั้นเราต้องออกมาพิจารณาพิจารณาห้ถงัแล้วอืมตวเปตให้มันสมนให้แท้จริงท่เหมือนเรานอนหลับ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 แล้วก็อยากเข้าไปสู่ความสงบอีกโอเคทีนี้ท่านก็บกมันมันเป็นของเล่นใหม่ก็เอาไปอแต่ทีนี้พอมันรู้แล้วชัดเจนแล้วคือไม่สงสัยในเรื่องความสงบแล้วอ่าต่อไปก็อย่าไปสนคล้ายๆว่าอย่าไปติดอยู่ตรงนี้มากพอเข้าไปพอมีกําลังพอมีกำลังบางทีก็ไม่ถึงขนาดได้ลึกมาก่ะแค่แวบเข้าไปนะออกมาก็เริ่มมาพิจารณาจาา็เอาสัญญาทั้งนั้นมาแปลงให้เป็นปัญญาของตัวเองเนอะงนะทําลายธาตุขันนี้แหละ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 นี่เหมือนกันกิเลสหายไปกับเป็นธรรมอ่ามู้ห์หายไปกับฉลาดอืมกที่เดียวกันเนี่ยมันซ้อนๆกันอยู่นี่อืมบางครั้งอดหนที่ป่า้งอืมอืมบางครั้งก็ตามลใจอืมมันเราจะใช้อะไรก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่เราถนัดารมีของใครของมันอุปนิสัยของใครของมันแต่ทาแล้วมันรู้สึกมันสบายเอาตรงนั้น